เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นมหังราที่30มสิมิถุนายนพุทธศักราช2552รองตรงกับวันขึ้น8ปข้างเดือน8เป็นวันพระวันธรรมสวนา วันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเรื่อมใสได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมทําจิตใจให้สงบ ทำจิตใจให้เกิดปัญญานี่คือวิธีที่จะซักฟอกกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เราต้องทําจากขั้นง่ายไปสู่ขั้นยากเหมือนกับเรียนหนังสือเราก็ต้องเรียนจากชั้นง่ายขึ้นไปสู่ชั้นที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆเวลาเริ่มเข้าโรงเรียนใหม่ๆก็เรียนชั้นอนุบาล หรือชั้นปฐมแล้วค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปจากอนุบาลจากชั้นปฐมก็ก้าวขึ้นสู่ชั้นมัธยมชั้นอุมดมศึกษาต่อไปการชำระสักฟอกจิตใจก็ต้องไต่เต้าจากขั้นง่ายไปสู่ขั้นยากขั้นง่ายก็คือการให้ทานการให้ทานนี้ก็จะช่วย ซักฟอกความตนันหนีความเห็นแก่ตัวความโลภอยากได้สิ่งของและสิ่งต่างๆของผู้อื่น <Yeah. S 1> ถ้าเราให้ทางอยู่เรื่อยๆมีอะไรที่เราพอที่จะบริจาคพอที่จะให้ได้เราก็ให้ไปเมื่อเราให้แล้วใจก็จะเกิดความอิ่มความพอ ขึ้นมาในระดับหนึ่งความโลภอย่างได้สิ่งต่างๆก็จะลดลงไปในระดับหนึ่งความเห็นแก่ตัวก็จะลดลงไปในระดับหนึ่งความตณีก็จะลดลงไปความยึดติดในวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปทำให้ใจมีความเมตตา กรุณาปรากฏขึ้นมาคือจะคิดถึงผู้อื่นเสมอไม่ว่าจะทำอะไรจะไม่คิดแต่เฉพาะตนเองเพราะคนที่ให้ทานอยู่เรื่อยๆนี้มีความเมตตาคือมีไมจริจิตมีความกรุณาคือความสงสารในความทุกข์ยากเหนือดร้องของผู้อื่น อย่างที่ยาติโยมมาทำบุญให้ทางที่วัดกันนี้ก็เพราะญาติโยมมีจิตไม่มีไมตรีจิตมีความคิดปรารถนาดีต่อพระภิกษุสงฆ์สัมมเนงและอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ปฏิบัติธรรมในวัดนี้เพราะรู้ว่าจ้องมีอาหารมีปัจจัยสี่ถึงจะอยู่ได้ญาติโยมก็ เสียสระทรัพย์ส่วนตัวซื้อกับข้าวกับปลาของข่าวของหวานเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆรวมทั้งเงินทองมาถวายให้แก่พระภิกษุสา ม, มเณรมาถวายให้แก่วัด <c oughs> เพื่อจะได้ทำลูกบำรุงรักษาวัดวาอารามสารา ว, วิหารกุติให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ นี่ต้องออกมาจากใจที่มีความเมตตาคือปรารถนาดีความเมตตานี้แท่งก็บอกเราว่าสุขีอัตานังปริหารันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขเถิดเนี่ยเราต้องการให้ผู้มีความสุขเราก็ช่วยเหลือเขาตามที่เราจะช่วยได้ถ้าเกิดเขาตกทุกข์ยากลำบาก เราก็ช่วยเขาอย่างนี้ก็เป็นความกรุณาสัพเพสัตตาทุกขะปุจจันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากทุกเถอทุกอันใดที่เราพอจะช่วยปลดเปิื้มเขาได้เราก็ทาไปก็จะทำให้ใจของเรามีความกรุณาความสงสารผู้อื่นไม่ดูดายไม่ใจจืดใจดงไม่แรงนำใจ การกระทําสิ่งเหล่านี้จะช่วยขัดเกลากิเลสคือความเห็นแก่ตัวความอยากได้ความเฉยเมยต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นแล้วจะทําให้จิตใจของเรามีความสุขเพราะจิตใจของเราเปิดกว้างจิตใจของเราไม่ไม่คับแคบนั่นเองเวลาที่เราอยู่ในห้องที่แคบจะไม่ค่อยมีความสุข เหมือนกับอยู่ที่ห้องกว้างๆใหญ่ๆถ้าศาลา this แคบนิดเดียวแล้วพวกเราต้องเข้ามาเบียดกันอยู่มานั่งกันอยู่ก็จะไม่สบายฉันใดเวลาที่ใจแคบก็จะเป็นอย่างนั้นใจของเราจะไม่ค่อยมีความสุขจะมองคนอื่นในมุมล้ายเสมอคิดว่าเขาจะมาหลอกเอาเงินเอทองของเรามากทั้งๆ ท, ที่เขาเดือดร้อนจริงๆ แต่เรากลับไม่เห็นความเดือดร้อนกลับเห็นว่าเขาแกล้งเดือดร้อนเพื่อที่จะมาหลอกเอาเงินเอาทองของเราเราก็จะปฏิเสธการช่วยเหลือแก่ผู้อื่นอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจริงๆแต่ถ้าเรามีความกรุณาแล้วเราก็ต้องตร่ายจองดูเสียก่อนดูว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจก็ใช้เวลาสอบสวนดูไม่นานก็จะรู้ว่าเขาเดือดร้อนหรือไม่เราไม่รู้เราถามคนอื่นที่เขารู้ก็ได้ว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือไม่ถ้าเขาเดือดร้อนจริงแล้วเรามีความเมตตามีความกรุณาเราก็จะยินดีช่วยเหลือเขาเมื่อเราทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้ว เราจะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นเราจะไม่อยากสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นการกระทำอันใดของเราถ้าไปทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดความลำบากลำเบนลาบ น, บนเกิดความทุกข์ยากต่างๆให้แก่ผู้อื่นเราก็จะไม่กระทำกันดังในบทเมตตาที่สแสดงไว้ว่าสัพเพสัทธา อเวราหงตุไม่จองเวรจองกรรมกัใครทำอะไรให้เราเดือดร้อนเราไม่อาคตาพยาบาทเราให้อภัยแล้วก็อา น, นิคาหมีอันหนึ่งที่เรียกว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือไม่ไปไม่ไปทำอะไรที่จะทำให้เขาเดือดร้อนคือไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะไม่ไม่ละเมิดสีนั่นเอง เพราะการละเมิดศีลนี้เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเอาชีวิตของผู้อื่นมาทําลายเอาสามีเอาภรรยาของผู้อื่นมาหรือไปพู ด, ดโกหกหลอกลวงผู้อื่นการกระทําเหล่านี้เป็นการเบียดเบียนเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นถ้าเราทําทางอยู่เรื่อยๆแล้ว เราจะไม่กล้าเราจะไม่อยากทําเราจะมีฮิริโอตตะปะฮิริแปลว่าความอายบาโอตตะปะแปลว่าความกลัวบาอายในการกระทําบาเพราะรู้ว่าคนที่ทําบาดนี้เป็นคนไม่น่ารักนั่นเองเป็นคนไม่น่าเคารพเรื่องใสจะให้มีอายุสูงขนาดไหนก็ตาม หรือต่อให้ห่มขาวห่มเหลืองโกนสีสาก็ตามถ้าไม่มีสีแล้วการห่มหรือการโกนศีสานั้นก็ปราศจากความหมายไม่สามารถเอาชนะใจของผู้อื่นได้ไม่สามารถทำให้ผู้อื่นเขาเค า, ารพกราบว่าบูชาได้เพราะสิ่งที่เรากราบว่าบูชานั้นไม่ได้อยู่ที่ผ้าหรืออยู่ที่การโกนศีสั นั่นเป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์หรือเป็นเครื่องแบบของผู้มีศีลเท่านั้นเองแต่ถ้าโกนศรีรษะแล้วห่มผ้าเหลืองแล้วห่มผ้าขาวแล้วแต่ไม่สามารถรักษาศีลได้ mm. ก็จะไม่เป็นผู้ที่สวยงามแต่อย่างใด mm. ผู้ที่มีความละอายบาป mm. เขาก็จะไม่กล้าที่จะทำบาปเพราะเขาละอายแก่ใจของเขา ถึง แ, แม้ผู้อื่นจะไม่รู้ว่าเขาได้ทำบาป ท, ทำกรรมเอาไว้แต่ใจของเรานี้มันจะละอายในตัวของเราเองเพราะเพราะว่าไม่มีใครรู้แต่เรารู้การกระทำต่างๆนี้เราปิดคนอื่นได้แต่เราปิดตัวเราเองไม่ได้ถ้าเรามีความละอายแล้วเราก็จะไม่กล้าที่จะทำบาปไม่อยากที่จะทำบาป และเราก็รู้ด้วยว่าผลของการกระทำบาปนี้มีโทษร้ายแรงร้ายแรงยิ่งกว่าโทษประหารชีวิตหรือถูกจกับขังคุกตลอดชีวิตหรือถูกประหารชีวิตเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายต้องไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างต้องไปตกนรกบ้าง เพราะการกระทาที่ผิดสิงผิดธรรมนี้เองดังนั้นผู้ที่ทาบุญักทาบุญอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจจะมีความเมตตาการุณาจะมีฮิริโอตุปปะจะมีความอายในการกระทาบาปจะมีความกลัวในการกระทาบาปกลัวผลของกรรมที่จะตามมาแล้วก็จะเห็นว่าการรักษาสิ่นี้ มีคุณค่ายิ่งกว่ารักษาสิ่งอื่นใดเพราะศีลนี้เป็นเหมือนกับตัวประกันเหมือนกับบริษัทประกันภัยที่จะไม่ให้เราต้องไปรผชนภัยในอบายเหมือนกับเวลาที่เราซื้อประกันภนะัยมาเผื่อเวลาไฟไหม้บ้านเิหมหีบ ไฟรถยนต์ถูกขโมยหรือรถยนต์เกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันเขาก็จะซื้อรถให้ใหม่ซื้อบ้านให้ใหม่ถ้าเรารักษาสีห้าได้เราก็จะซื้อประกันที่จะรับรองที่จะไม่ให้เราไปตกนรกไม่ให้เราไปเกิดในอบายแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าประกันให้ครบร้อยถ้าจ่ายเพียง ร้อยละสิบหรือร้อยยี่สิบนี้ยังประกันไม่ได้รอยปอร์เซ็น์ถ้าต้องการให้ได้ประกันร้อยเปอร์เซ็น์ก็ต้องจ่ายค่าประกันให้ครบร้อยเหมือนบริษัทประกันเขาสั่งให้เราจ่ายค่ า, คาประกันทุกเดือนทุกเดือนเราก็ต้องส่งทุกเดือนถ้าเดือนไหนขาดถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเขาก็จะไม่จ่ายค่าประกันให้กับเรา เพราะเราไม่จ่ายค่าประกันให้ครบตามเวลาที่เขากำหนดนั่นเองฉันใดถ้าอยากจะปิดประตูแห่งอบายไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไป mm hmm. ก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้เป็นนิจสิงให้เป็นปกติคือทุกวันเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับไปใจนี้จะไม่ละเมิดศีลห้า จะไม่สั่งให้กายและวาจาไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดมดเท็ไปโกหกหลอกลวงใบเสสุรายาวมาเพราะว่ า, าการกระทำเหล่านี้จะทำให้ใจจะต้องไปใช้กรรมต่อไปนั่นเองนี่คือเรื่องของการรักษาศีลเรามารักษาศีลก็เหมือนกับมาซื้อประกันภัย ถ้าเรารักษาศีลได้ทุกวันก็เท่ากับเราจ่ายเบีย้ยประกันภัยได้ทุกวันได้ครบถ้วนถ้าเรารักษาอย่างนี้ได้แล้วเราจะไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอาบายต่อไปถึงแม้เราจะต้องเสียชีวิตด้วยการรักษาศีลเราก็ยินดีต้องถึงขั้นนั้นถึงจะสามารถปิดประตูอาบายได้เช่นถ้าเรา มีคนจะมาฆ่าเราอย่างนี้เราก็ทำได้อย่างมากก็คือหลบเขาหรือหลีกหรือหนีเขาแต่เราจะไม่คิดฆ่าเขาเพื่อเป็นการยับยั้งการฆ่าของเราเพราะการไปฆ่าเขานั้นมันมีโทษร้ายแรงกว่าถูกเขาฆ่าการถูกเขาฆ่านี้ไม่มีโทษแต่อย่างใด อย่างไรเราก็ต้องตายกันทุกคนเกิดมาแล้วไม่มีใครไม่ตายแต่อย่าตายแต่อย่าอยู่เพราะการฆ่าผู้อื่นไม่คุ้มเพราะการฆ่าผู้อื่นนี้เป็นบาปเป็นกรรมมีผลตามมาอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าจึง ส, งสอนให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมการรักษาธรรมก็คือศีลธรรมนี้ เราอย่าไปฆ่าผู้อื่นหรือถ้าเราอดอยากขาดแคลนไม่มีอาหารเราก็อย่าไปฆ่าสัตว์แต่ชีวิตมารับประทานเช่นไปยิงนกตกปลาเรายอมอดไปหรือหาอาหารชนิดอื่นรับประทานไปเก็บผักเก็บผลไม้มารับประทานแทนอย่างนี้เราก็จะไม่ต้องไปทำแบาบปทำกรรม ถ้าเราไม่ต้องการจะไปในอบายเราต้องปฏิบัติอย่างนี้เราต้องยอมเสียสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาศีลแังไว้ให้ได้ถ้าเรารักษาศีลห้าข้อได้อย่างนี้แล้วเราจะไปสุขติโดยถ่ายเดียวสุขติก็คือที่อยู่ของเทพที่อยู่ของมนุษย์นี่จะเป็นที่ไปของผู้ที่รักษาศีลห้า ถ้ารักษาศีลแปดได้ก็จะไปสูงขึ้นไปอีกขั้นนึ่งคือไปสว่างชั้นพรหมชั้นพรหมนีจ้จะไปได้ต้องรักษาศีลแปดต้องตัดความยินดีในความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณคือไม่ยินดีที่จะหาความสุขกับการดูการฟังการดืมการรับประทาน จะหาความสุขจากการไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบนั่งทาสมาธิจิตสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการดูการฟังการเดิมการรับประทานถ้าปฏิบัติได้แล้วต่อไปก็จะติดเป็นนิสัยจะไม่อยากดูหนังฟังเพลงจะไม่อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ อยากจะไปอยากจะมาวัดมาถือศีลแปดไม่อยากหาความสุขจากการหลับนอนกับคู่ครองศีลข้อที่สามคือการเมก็จะเปลี่ยนเป็นอพ ร, รมมจรารยาจะไม่นอนกับคู่ครองไม่หาความสุขกับการหลับนอนกับคู่ครองของตนจะหาความสุขจากการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบจะนั่งสมาธิได้ ก็ต้องอยู่็นคนละห้องต่างคนต่างอยู่กันถ้าอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันเป็นน้ำมันกับไฟเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นมาได้ง่ายเราเวลาเก็บน้ำมันกับไฟนี่เรามักจะไม่เก็บไว้ในที่เดียวกันเราจะเก็บไว้คนละที่เพื่อไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุไฟลุกขึ้นมาเนะช่นเดียวกับผู้ที่ถือศีลแปถ้าเป็นสามีภรรยากัน ก็จะแยกกันอยู่คนละห้องหรือไปอยู่สถานที่คนละที่กันไปอยู่กันคนละวัดกันถ้าไปอยู่วัดเดียวกันก็ไปอยู่คนละกุฏิกันไม่ให้อยู่ใกล้กันเพราะเวลาเห็นหน้าเห็นตากันแล้วกิเลสมันมักจะสร้างความอยากขึ้นมาเมื่ออยากขึ้นมาแล้วก็จะสู้กับกําลังของมันไม่ได้ เดี๋ยวมันก็หลอกให้เราไปหาคู่ครองของเราพออยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาเรื่องของหญิงของชายเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ต้องการเสพความสุขระหว่างหญิงกับชายก็ต้องระมัดระวังเช่นพระอาหนุ์เคยถามพระพุทธเจ้าว่าจะให้พระภิกษุปฏิบัติกับสีการหรือสุภาพสตรีอย่างไร องคุจจาก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแล้วพระเนย์ก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดมีธุระมีความจำเป็นต้องยุ่งจะทำอย่างไรท่านก็บอกว่าอย่าพูดให้ไม่ต้องพูดแล้วถ้าเกิดมีความจาเป็นต้องพูดจะทำอย่างไรก็พูดให้น้อยที่สุดพูดเพื่อให้เขาไปอย่าพูดเพื่อให้เขาอยู่ เช่นบอกให้เขาไปว่าพระภิกษุไม่ควรที่จะสนทนากับศีกาตามลำพังอย่างนี้เป็นต้นนอกจากการแสดงธรรมในร้ำกลางสาธารณะชนอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่พระภิกษุนี้ทรงห้ามให้อยู่สองต่อ2กับศีกากับสุภาพสตรีถ้าจะอยู่ต้องมีผู้ชายที่ ที่รู้เดียงสาอยู่เป็นเพื่อนด้วยไม่ให้อยู่กันสองต่อสองในที่รับหูเหรือที่รับตาเพราะว่ามันจะเกิดไฟแห่งกามตันหาราคะตันหาขึ้นมาเมื่อเกิดไฟแห่งราคะกามตันหาแล้วผ้าก็จะร้อนขึ้นมาจนในที่สุดก็จะต้องเปลื้องผ้านั้นทิ้งไป เพราะทนกับความร้อนของไฟแห่งราคะไฟแห่งตัณหาไม่ได้นี่คือเรื่องของหญิงกับชายที่เกี่ยวกับสินข้อที่สามสำหรับผู้ที่ถือสินถ้าถือสินงห้าก็ต้องระมัดระวังเวลาไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาไม่ควรอยู่กันสองต่อสอง ไม่ควรจะไปไหนด้วยกันตามลำพังควรจะมีเพื่อนมีคนไปด้วยแล้วถ้าไม่มีธุระจำเป็นจริงๆก็อย่าไปสนิทสนมอย่าไปเกี่ยวข้องเพราะเดี๋ยวความใกล้ชิดสนิทสนมจะทําให้เกิดความรักใคร่เกิดความพอใจเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็จะไม่สามารถรักษาศีลข้อสามได้ ก็จะต้องไปละเมิดข้อกางเมขึ้นมาหรือถ้าถือศีลแปล ก, ก็จะต้องไปละเมิดข้ออภรรมาจารย์รยาขึ้นมาเพราะเรื่องของหญิงชายเป็นอย่างนี้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติเช่นพระที่มาบวชนี้ท่านต้องสอนท่านต้องมอบอาวุธให้แก่พระตั้งแต่วันแรกเลยอาวุธของพระที่จะต่อสู้กับ ไฟแห่งราคะไฟแห่งกามะตัณหาก็คือกรรมฐานห้าที่เรียกว่าเกสาโลมานาขาดัตตาตะโจนนี่เป็นเป็นอาวุธคือสงสอนให้พระบวชใหม่เจริญกรรมฐานห้าให้พิจารณาอาการห้าประการของร่างกายที่เห็นกันอยู่ตลอดเวลาว่าผม ขนเล็บฟันหนังเป็นอย่างไรให้ดูให้ถ่องแท้ว่าผมนี้มันเที่ยงรไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าหรือสัปวันหนึ่งมันก็ต้องร่วงโรยหลุดออกจากสีะจะต้องกลายเป็นสีขาวไปหนังที่เต่งตึงในวันนี้ในวันหน้ามันก็ต้องเหี่ยวย่นไปอย่างนี้ให้พิจารณา แล้วถ้าพิจารณาเป็นประจำแล้วต่อไปก็จะมองเข้าไปใต้ผิวหนังจะมองเห็นกันดูเห็นโครงกันดูจะเห็นอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจตับปอดลำไส้อาหารที่อยู่ในลำไส้ที่เรียกว่าอาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็เยื่อสมองศีรระแล้วก็ของที่เป็นน้ำต่างๆ เนน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสเลจน้ำดีน้ำมูกน้ำตาน้ำไขข้อสิ่งเหล่า น, นี้ถ้าเราจะบรินอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ว่าหญิงหรือชายไม่สวยงามเลยแต่เป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยปฏิกูลก็สิ่งสุกประปกต่างๆที่ถูกขับออกมาตลอดเวลาออกมาทางตาก็เรียกว่าขี้ตา ออกมาทางจมูกก็เรียกว่าขี้บูกออกมาทางหูก็เรียกว่าขี้หูมีแต่ของปฏิกูลของโสกบกทงนั้นถ้าร่างกายนี้ไม่ได้รับการชำระอาบน้ําอาบท่าหวีผ้าหวีผมแล้วก็จะไม่มีใครจะอยู่ใกล้อยากจะอยู่ใกล้ด้วยถ้าพิจรณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วใจจะหาย จากความหลงจากความรุ่มหลงในความสวยความงามของร่างกายและถ้าพิจารณาถึงเวลาที่ตายไปแล้วยิ่งจะเกิดความรังเกียจเกิดความเดือดหน่ายในร่างกายเพราะร่างกายนี้นายที่สุดก็ต้องกลายเป็นผีไปกลายเป็นซากศพไปเวลาอยู่ด้วยกันก็ยังพออยู่กันได้พอเวลาตายไปแล้วไม่มีใครอยากจะเก็บเอาไว้ในบ้าน มีแต่จะเอาไปไว้ในป่าชา้าเอาไปไว้ในวัดหรือเอาไปเผาเอาไปฝังเพราะเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูนั่นเองถ้าไม่ได้เจริญกรรมฐานใจก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเห็นความสาคัญของการดำรงฐานะของนักบวชว่าจะอยู่เป็นนักบวชได้ก็ต้องมีอาวุธไว้ต่อสู้กับศัตรูคือราคะ ตัณหาทั้งหลายที่มันจะมาคอยลุนแ้งจิตใจเหตุที่คนเราบวชกันไม่ได้หรือบวชกันได้ไม่นานแล้วสึกไปก็เพราะไม่มีอาวุธไว้ต่อสู้กับไฟแห่งราคะตัณหานี่เองแต่ถ้าได้ยินได้ฟังแล้วนำเอาไปเจริญอยู่เรื่อยๆ เ, เอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปจะอยู่ได้จะอยากบวช รู้แล้วว่าอยู่ในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรความสุขที่ได้จากคู่ครองจากหญิงจากชายมันก็ไม่คุ้มกับเท่ากับความทุกข์ความทุกข์ที่มันเกี่ยวผมาด้วยเวลามีสามีมีภรรยาก็ต้องมาทุกมากังวลมาห่วงกันถ้าดีก็ดีไปอย่างถ้าดีก็ทุกไปแบบนึงต้องคอยห่วงกลัวว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่ดีก็ต้องมาทุกข์กับความไม่ดีของเขาเช่นเขาแอบไปเที่ยวกับคนนั้นกับคนนี้หรือกลับมาบ้านก็เดินสุรายามาแล้วก็ทุบตีหาเรื่องหารอาทะเลาะวิวาทกันนี่ก็เป็นความทุกข์ที่จะตามมาจากการอยู่อยู่กันระหว่างสามีและภรรยา คนที่มีปัญญาคิดได้แล้วจะเห็นว่าไม่คุ้มค่าสู้หาความสุขที่ไม่มีพิษมีภัยดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากการทำจิตใจให้สงบเพราะเราไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้มานั่งสมาธิกับเราเรานั่งคนเดียวนั่งคนเดียวจิตสงบเมื่อไหร่ก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากคู่ครองของเรา เมื่อได้คิดอย่างนี้แล้วก็อยากจะรักษาสิงแปลกไม่อยากไม่อยากจะหาความสุขจากคู่ครองหรือไม่อยากจะหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานเหมือนรับประทานยารับประทานพอเท่าที่จำเป็นไม่ต้องรับประทานมันละสามมื้อเหมือนเมื่อก่อนรับประทานสามมือ้อกับรับประทานมื้อเดียวก็เหมือนก็เท่ากันถ้าเรารับประทาน จำนวนเท่ากันเช่นสมมุติเรารับประทานข้าวสามจานสามมือม้อละจานเราก็รับประทานทีเดียวสามจานไปเลยมันก็เท่ากันเหมือนกับเวลาเติมน้ํามันถ้าเราเติมทีละครึ่งถังเราก็ต้องเติมสองครั้งถึงจะเต็มถังถ้าเราเติมทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยเราก็เติมครั้งเดียวท้องของเราก็เหมือนกับถังน้ํามัน ถ้าเราเติมอาหารให้มันเต็มท้องไปครั้งเดียวเลยมันก็พออยู่ได้จนกระทั่งถึงวันรุ่มขึ้นไม่มีปัญหาอะไรความหิวส่วนใหญ่นี้ไม่ได้ออกมาจากร่างกายความหิวนี้ออกมาจากตัณหากิเลสคือความอยากบางทีรับประทานเพิ่งเสร็จไปใหม่ๆเดินไปเห็นขนมเห็นเขาขายขนมก็อยากจะรับประทานขึ้นมาแล้ว ท, ทั้งที่ร่างกายนี้ยังยังแน่นท้องอยู่เลย แต่ก็ยังอยากจะรับประทานขึ้นมาคนเราที่อ้วนจนเกินขนาดก็เป็นเพราะความอยากของกิเลสตัณหาไม่ได้ความต้องการของร่างกายร่างกายไม่ต้องการอาหารขนาดนั้นจนร่างกายกลายเป็นตุ่งไปไม่มีไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่ใจไม่สามารถต่อสู้ได้แพ้ภัยกิเลสแพ้ภัยตัณหา ถ้าอยากจะเอาชนะภัยที่เกิดจากการรับประทานท่านาให้เราพิจารณาดูสภาพของอาหารที่เรารับประทานว่าขณะที่อยู่ในจานนั้นเป็นอย่างไรขณะที่เข้าไปในปากแล้วเคี้ยวกรื่นเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็คุกับน้ำลายของเราเป็นอย่างไรลองคลายมันออกมาดูแล้วตักเข้าไปใหม่ได้ไหมท่านทั้งที่กำลังอริดอร่อยอยู่ในปากของเราเนี่แหละ เวลาเราเคี่ยวอาหารที่อริดอร่อยก่อนที่เราจะกลืนลงไปเราคลายออกมาก่อนแล้วตัดเข้าไปในปากใหม่ดูซิว่าเราจะทําได้ไหมถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะไม่หลงกับความอาริดอร่อยของอาหารแล้วยิ่งถ้าคิดถึงเวลาที่อาหารมันเข้าไปรวมกันในท้องแล้วเป็นอย่างไรหรือเวลามันออกมาจากทวารแล้วเป็นอย่างไร มันก็เป็นอาหารที่เราหลงว่าอรเดอร่อยน่ากินน่ารับประทานนี้ทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เป็นอะไรมาจากไหนมันก็มาจากอาหารที่เรารับประทานถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องการรับประทานมากก็ต้องพิจารณาความเป็นปฏิปูลของอาหารหรือขณะที่เราจะรับประทานเราก็เอาอาหารทุกชนิดที่มันจะต้องไปรวมกันในท้องนั้นเอามารวมกันในจานเลย เอามารวมกันในกะละมังเลยแล้วเอามาคลุกมันเข้าไปเหมือนกับเวลาที่มันจะรวมเข้าไปในท้องรวมลงอยู่ในท้องเราก็กินมันแบบนั้นเลยเช่นพระที่ฉันในบาบางรูปท่านก็เอ า, อาหารทุกอย่างใส่ไปในบาผลไม้ของขาวของหวานใส่เข้าไปแล้วก็คนมันคลุกมันเข้าไปแล้วค่อยฉันเพราะท่านถือว่าท่านฉันแบบรักษาร่างกายฉันเป็นยา ไม่ได้ฉันเพื่อกิเลสความพอใจในรูปเสียงในรูปในกลิ่นในรสของอาหารนี่ผู้ที่ต้องการจะเอาชนะกิเลสผู้ที่ต้องการต้องการความสงบของ จ, จิตใจต้องปฏิบัติแบบนี้นี่คือวิธีเป็นอุบายเป็นเครื่องมือที่จะใช้ต่อสู้กับกิเลสที่จะคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้การใจไม่รู้จักจบจากสิ้นนั่นเอง ถ้าได้ใช้วิธีอย่างนี้แล้วต่อไปจะไม่เป็นปัญหาเรื่องรับประทานอาหารจะรับประทานเป็นเหมือนกับรับประทานยาเวลาหมอให้ยามาจะเป็นยาน้ำยาเม็ดเม็ดจะเลียวเม็ดจะกลมหรือเม็ดจะเป็นเม็ดสี่เหลี่ยมก็ไม่สำคัญอะไรเราก็หยิบเข้าไปในปากแล้วปูนเข้าไปเท่านั้นเองอาหารที่รับเร า, เ ร, ารับประทานก็เป็นเช่นเดียวกันสาหรับผู้ที่ต้องการตัดตันหา ความยึดติดความอยากในลูกในรสในกลิ่นของอาหารเราต้องกินแบบยา ก, กินเพื่อรักษาร่างกายเท่านั้นกินแบบนี้และกินพอประมาณพอรู้สึกอิ่มแล้วให้หยุดทันทีให้ดื่มน้ำแทนดื่มเข้าไปสักแก้วแล้วก็จะแน่นท้องขึ้นมาเองถ้าไม่หยุดแล้วเดี๋ยวมันจะกินไม่หยุดหยุดไม่ได้นี่คือเรื่องของการต่อสู้ กับปิเล ต, ตันหาที่จะคอยหลอกคอยดึงให้ใจต้องไปทุกกับเรื่องต่างๆการถือศีลแปนี้ก็เป็นการช่วยให้จิตได้เข้าสู่ความสงบได้ง่ายนั่นเองผู้ที่ถือศีลแปนี้จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายกว่าผู้ที่ถือศีลห้าเพราะผู้ที่ศีลถือศีลห้า น, นี้ยังไม่มี เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือพอที่จะกำหลัดกิเลสตัณหาต่างๆได้นี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาชำระกายวาจาใจของเราด้วยด้วยด้วยธรรมะชนิดต่างๆเช่นด้วยด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังธรรมว่าการฟังธรรมก็จะทำให้เราหูตาสว่าง ให้เราได้ยินได้ฟังในสียงที่เราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าอะไรเป็นโทษเห็นว่าอะไรเป็นคุณแล้วเราจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องพอเราปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะอยู่ห่างไกลจากชีวิตของเราไปตามลาดับ จนไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจของเราเลยจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาชำระ ก, กายวาจาใจในวันพระและวัน อ, อื่นๆนี้ให้ท่านได้นำไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้